วันในพวกเราท่านได้มาประชุมพร้อมกันเพื่อบำเพ็ญสมาธิคือศีลพวกเราก็รักษาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่นี่เรามาประชุมพร้อมกันไหว้พระสวดมนต์เพื่อทำเป็นพิธีศาสนาพิธีแต่ไม่ใช่พิธีอะทำจริงจังนั่นอะกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เป็นการพร้อมกันมีความพร้อมสามัคคีสวดพร้อมกัน แต่ถ้าหากว่าไม่มีศาสนาพิธีเฉลยต่างคนต่างธรรมก็มันจะเหนินห่างออกไปเพราะนั้นจะมีการสวดพร้อมกันเพื่อสนับสนุนรรพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ในชัยอย่างอื่นพร้อมกันนี้ต่อไปนี้ก็จะได้ฟังพระธรรมเทศนาจะเปิดเทปให้ฟังที่หลวงตาที่ท่านอุปรมสัง่งสอนพระเนนประชาชน นานาทัศนะ น, น, นานาความคิดเห็นแนวทางสำหรับพวกเราแต่ถึงยังไงก็ตามแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ปฏิบัติตามหรือพวกเราไม่ทำตามถึงอูบาอาจารย์จะแนะนำสั่งสอนขนาดไหนก็เถอะก็เหมือนกับกลาที่มันคว่าแล้วก็ไม่สามารถที่จะรับรู้รับทราบได้แต่ก็พวกเราทุกทุกท่าน พอมาถึงจุดนี้แล้วก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถึงยังไงความขี้เกียจขี้ค้านเนี่ยมันก็ต้องมีเป็นบางครั้งบางคราวเพราะกิเลสยังมีอยู่ในหัวใจมันก็ต้องมีความขี้เกียจขี้ค้านแต่ถึงยังไงเรามีความมุ่งมัน่นมีความพยายามอยู่ ก, พยายา ก, ก็พยายามกีดกันพยายามากันกรองพยายามกพยายามเข็นถูไถมันไป ใช้เหตุและผลบังคับมันออกว่าเราขี้เกียจเพราะอะไรเราต้องเพียรณาเอาธรรมะเข้ามาบังคับจิตบังคับใจของพวกเราเอาเหตุและผลนั่นแหะมาบังคับตนเองนั่นจะให้ครูบาอาจารย์บังคับเป็นไปไม่ได้ครูบาอาจารย์มีแต่เป็นผู้ชี้หนทางเป็นผู้แนะนําเป็นผู้บอกกล่าวเท่านั้นแต่จะให้อาจารย์พานําพาจับมือทุกอย่างพาธรรมทุกอย่างคงเป็นไปไม่ได้ ในเมื่อครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนว่าปฏิบัติอย่างนี้เดินโยกมอย่างนี้นั่งภาวนาอย่างนี้กาหนดพิจารณาอย่างนี้จากนั้นพวกเราก็นำไปประพฤติปฏิบัติได้รับผลมากน้อยอย่างไรแค่ไหนมีอุปสรรคอย่างไรก็พร้อมที่จะมาถามไต่ถามหมู่เพื่อนครูบาอาจารย์โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งหมู่เพื่อนที่ภาวนามาก่อนพวกเราก็มี ก็พร้อมที่จะไต่ถามเรื่องต่างๆได้ถ้าว่าไม่มั่นใจก็ถามครูบาอาจารย์ที่พวกเรามาศึกษาท่านก็จะให้คำตอบแก่พวกเรานี่แหละวิธีการปฏิบัติของพระกรรมฐานผ้า ป, ป่าจะไปให้สอนทุกปีทุกวันสอนเช้าสอนเย็นขึ้นธรรมมาะก่อนจึงถือว่าสอนมันก็ไม่ได้ตาเห็นไตรตรองพิจารณาเหตุและผลหูได้ยิน ไตรตรองพิจารณาเหตุและผลใจไปสัมผัสเมื่อได้ยินได้ฟังเมื่อได้ประพฤติธปฏิบัติไปแล้วนำมาไตรตรองอ่านหนังสือฟังเทศครูบาอาจารย์จากเทพจากหนังสือนำมาไตรตรองปรับปรุงแก้ไขตนเองถ้าเรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความพยายามอยู่เสมอ ไม่วันใดก็วันหนึ่งพวกเราก็จงมีช่องมีทางที่จะออกไปสู่ทางสว่างได้แต่ถ้าว่าพวกเรามีแต่คอยขี้เกียจทาขี้เกียจทาความภาคความเพียรมีแต่คอยผลอย่างเดียวไม่ว่าจะพบนี้ชาตินี้แหละเกิดมาร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็คงจะไม่เจอคงจะไม่พบไม่เห็นคงจะไม่สำเร็จสมความมุ่งมาดปรารถนาได้เพราะนั้นธรรมะของผู้เทวเจ้าท่านให้พยายามทา พยายามเร่งความภาคเพียรพย า, ายามไต่ตรองหาเหตุและผลที่จะให้เกิดสติปัญญาขึ้นในจิตในใจของพวกเราพวกเราฝึกฝนอยู่ทุกวันนี้ก็เรื่องศีลก็เป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยอันนั้นเป็นพื้นฐานอยู่แล้วถ้าว่าผูกเพื่อนองค์ใดทำผิดทำไม่ถูก พระผู้อยู่ที่มีอายุพรรษาก็่ากกล่าวตักเตือนด้วยเจตนาดีด้วยความหวังดีผู้ที่ได้รับได้ฟังจากครูบาอาจารย์หรือหมู่เพื่อนก็ให้ไต่ตรองพิจารณาตามเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังถ้าเราไม่มั่นใจก็ถามว่านี่เกี่ยวกับสิกขาบทไหนอย่างไรเราก็ไปเปิดตำรับตำลาค้นคว้าอีกก็ได้อันนี้เปว่าผู้มาศึกษาหาความรู้ ใส่ตัวเองพยายามปรับปรงุงแก้ไขตนเองให้ดีขึ้นไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาแล้วจะดีทีเดียวถึงจะชื่อว่าพระดีก็เถอะแต่ถ้าว่าการกระทำไม่ไปในทางดีและเหมือกับเปลวเลยมันกันชื่อจะดีเท่านั้นแต่ความประพฤติมันเลวเพนานั้นพวกเราให้ตั้งอกตั้งใจเรื่องศีลเป็นพื้นฐานการอยู่ร่วมกันคือกดระเบียบ การที่จะเป็นคนดีและคนเลวศีลนะเป็นเครื่องบ่งบอกอาพวกเราอยู่ในศีลและธรรมอยู่ในศีลแล้วเป็นพื้นฐานของคุณงามความดีถ้าศีลเหมือนกับพื้นฐานเป็นหลักฐานที่เราจะสร้างบ้านสร้างเรือนขึ้นมาก็ต้องมีฐานถ้าฐานมั่นคงแข็งแรงเราจะก่ออะไรขึ้นมามันก็แข็งแรงไปด้วยเพราะฐานของเราแข็งแรงคือศีล นี่ก็เหมือนการกายวาจาของเราอยู่ในกรอบเป็นพระที่ดีเป็นครวัตที่ดีอยู่ในศีลและธรรมอยากจะภาวนาอย่างไงทําจิตให้สงบอย่างไรก็รกเราพยายามทําต่อเติมขึ้นไปเรื่อยๆได้พราฐานของเราดีแล้วแต่ถ้าว่าฐานของเราไม่ดีฐานของเราก่อนเง่นฐานของเราไม่ดีเราจะทําให้สมาธิเกิดคือกดระเบียบ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 อยู่ในกรอบเป็นพระที่ดีเป็นครวัตที่ดีพออยู่ในศีลและธรรมอยากจะภาวนาอย่างไงทําจิตให้สงบอย่างไรก็เราพยายามทําต่อเติมขึ้นไปเรื่อยๆได้เพราะฐานของเราดีแล้วแต่ถ้าว่าฐานของเราไม่ดีฐานของเราก่อนเงีฐานของเราไม่ดีเราจะทําให้สมาธิ ของจิตของใจพิจารณาถึงนี่แหละกายยนครเนี่ยทําให้เราจิตใจของเราลุ่มหลงมัวเมากิเลสมันเกิดจากไหนเกิดจากกายเกิดจากใจนี่น่ะโดยเฉพาะยังยิ่งเกิดจากกายลุ่มหลงกายว่ากายนี้กิเลสมันหลงจริงๆนะคิดว่าอกตัวเองจะไม่ตายจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายนะ่ะไม่คิดเลยว่ามันจะตายพอมาถึงคราวที่จะมาเจอมาพบเห็บไข้ได้ป่วยเข้าไปแล้วกอหัวเขาอ่อนน่ะ วิตกกังวลว่าเว อ, อ้างว่างจึงสํานึกสําเนียกได้ว่าเออข้านจะตายจริงๆว่ะแต่ถึงจุดนั้นมันเอาไม่ทันแล้วเออมันดิ่งลงไปแล้วว่าไม่ทันแล้วต้องเกิดไปด้วยความทุกข์ตรถมทางจิตใจตายแบบไม่ยอมรับเพราะนั้นขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี่พยายามฝึกซ้อมไว้เสมอเห็นคนตายที่ไหนก็ดีเห็นสัตว์ตายที่ไหนก็ดีน้อมเข้ามาหาตัวเองอีกสักวันหนึ่ง ชีวิตของพวกเราก็จะต้องตายสลายแน่นอนไปสู่ดินน้ำมลมไปเพียนาไว้อยู่เสมอนั่นแหท่านผู้ใดพิจารณาอยู่อย่างนี้โดยสม่ำเสมอจิตใจของเขาท่านเหล่านั้นเมื่อประสบสิ่งที่ไม่พรึงปาธนาขึ้นโชดใดขณะใดก็จะได้สำเหนียกสำนึกได้ให้ข้าวาปล่อยวางได้พอได้คิดไว้แล้วได้เตรียมไวแล้ว ได้คิดไว้ก่อนแล้วว่ะมันจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะชีวิตนี้มันจะต้องแตกสลายในที่สุดนี่แหละให้พวกเราเพิจารณาเรื่องร่างกายนี่แหละเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญมากมันติดกายยนครตัวนี้ะการเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เราฉันอาหารกินอะเ็ดอร่อยเข้าไปพวกเคียวอาหารเข้าไปมันก็ไปถูกน้ําลาย พอถูกน้าลายกรื่นเข้าไปในลําคอนะถ้าเราคายออกมาแล้วก็เป็นของโสกปโลกแล้วไม่กล้าที่จะเอามาเข้าปากกรืนเข้าไปกินอีกไปได้นะขนาดของตัวเองทแท้ๆแสดงว่าร่างกายของเราเนี่ยเต็มไปด้วยของโสกปรกจากนั้นก็เอาเข้าไปในถึงท้องแล้วอวกออกมานีย่ยังขยะขยแยงอวกอาจเจียนของตนอีกทั้งที่ตอนเช้าฉันอเลตอร่อยพอตกตอนเย็นพุ่งนิเชาถ่ายออกมาแล้ว คนละเรื่องกันเลยทีนี้แต่ตามให้จริงกับเป็นอาหารที่อริดอร่อยที่ผ่านจากปากของเราเข้าไปนั่นแหละมุกทวาวรของเราเข้าไปนั่นแหละอริดอร่อยมากแต่มันออกมาแล้วมันเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วตงแต่ถ้าเราใช้ปัญญาใช้การพินิษพิจารณาแล้วเราจะมองเห็นว่าร่างกายสังขารของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นถึงจะทนุถนอมขนาดไหนเลี้ยงดูปูเสือดีขนาดไหน อีกสักวันหนึ่งร่างกายของเราก็จะต้องแตกต้องสลายเป็นไปตามสภาพของมันแน่นอนเป็นไปอย่างอื่นไม่ได้นี่แหละคือให้พวกเราพิจารณาทบทวนแต่ละวันแต่ละเวลาอย่าไปหลงอย่าไปมัวเมาอย่าไปประมาทเพราะชีวิตของเราไปทุกนาทีวินาทีไม่ต้องพูดถึงวันเดือนปีแหละมันกินเวลาไปเรื่อยๆ ผลที่สุดก็หมดก็แตกสลายทรมหายตายจากอย่างพวกเราเห็นปู่ย่าตายายของพวกเรานั่นแหะพ่อแม่ของพวกเรานั่นแหะต่อไปก็ไหลเรียงกันลงมาเรื่อยๆมาถึงตัวของเราไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งนี่แหละให้พิจารณาอย่างนี้เมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้อยู่แล้วเห็นตามความเป็นจริงอยู่แล้วอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาเห็นอยู่แล้ว จยางที่พูดเมื่อเช้าในนางปัตตาจจลาเห็นความแก่เห็นความตายเด็กก็ตายคนกลางก็ตายคนแก่ก็ตายไม่ได้เลือกท่านก็เกิดเห็นอนิจนนนจังของไม่เทียงเมื่อเห็นเกิดอนิจจังของไม่เที่ยง้ขาก็เกิดด้วความเบื่อหน่ายเกิดความเบื่อหน่ายจิตใจก็คลายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายนี้มันเป็นอย่างนี้ ถึงเจตนุถนอมจริงจะรักสงวนถึงขนาดไหนก็เถอะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นจากนั้นใจของนางก็หลุดพ้นจากกิเลสไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงปล่อยตามสภาพใจก็ส่วนหนึ่งกายก็ส่วนหนึ่งพิจนาถึงใจิตใจก็ปล่อยใจอีกสิ่งที่จะให้มันยึดมั่นถือมัน่นรู้เท่าทันอีกแต่ในใจิตใจก็ไม่มีอะไรที่จะมายึดมาเกาะมาเกี่ยวจิตใจบริสุทธิ์หลุดพ้นจาก อาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงสรุปแล้ก็คือพิจารณ า, ากายนั้งแต่ก่อนกายนี่เป็นของหยาบเมื่อพิจารณ า, ากายอะไรก็พิจณาใจย้อนมาหาใจใจของเรานเปไปลุ่มหลงไปมัวมองไปติดพันกายของมันก็ไปตามสภาพของมันเหมือนกับโลกทั้งโลกที น, นี่นเราก็ไปยึดถือว่าเป็นของเราเราก็เลยเป็นทุกข์ไรนาเป็นของเราทรรมาค้าขายกิจการงานเป็นของเราสามีพรนยาเป็นของเราบ้านเตือนเป็นของเรา แต่ตามไม่จริงสิ่งเหล่านั้นไม่ได้บอกว่าข้าพเจ้าเป็นของท่านนะร่างกายเป็นของท่านนะข้าพเจ้าเป็นร่างกายเป็นของท่านนะมันร่างกายไม่ได้พูดมีแต่พวกเราไปยึดไปเกาะวิ่งไล่ตามอันนี้จังทุกขังอนัตตาเหล่านั้นสิ่งไม่ใช่ตัวตนเหล่านั้นพอวิ่งไล่ตะคุบไปตะคุบมาผลที่สุดมันก็ไปกับผิดหวังนะจีพราะไปคุบอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเรามันก็เป็นทุกข์นะจ๊ะนี ถ้าเราไม่ย้อนเข้ามาหาตัวของเราไม่ย้อนเขามาหาใจแล้วมันจะเป็นทุกข์ตลอดไปอ่ะย้อนเขามาหาใจพิจารณาทําไมเราจึงไปคิดมั่นถือมั่นแต่ใจของเราแทๆ้ๆมันเป็ยังเป็นอนิจจังคิดอย่างหนึ่งแล้วมานปล่อยอย่างหนึ่งมันยังเห็นอนิจจังอยู่ในจิตในใจตลอดคิดขึ้นมาแล้วกระดับคิดขึ้นมาแล้วกระดับคิดขึ้นมาแล้วกระดับถ้าดูชัดๆแล้วใจของเราหรือความคิดของเรา ใของเราขณะที่มันคิดมันร้ายกยเข็มเย็บผ้าอีความเร็วของมันมราจะติดจับเข้าไปดูอันนี้ก็คือตัวนิจจังเหมือนกันของไม่เที่ยงไม่เที่ยงกระทั่งใจของมันปล่อยวางกระทั่งใจกระทั่งแนวความคิดทั้งหลายทั้งปวงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นอนัตตาเมื่อเราพิจารณาถึงอย่างนั้นสิ่งไหนที่ทนต่อการพิสูจน์มันจะต้องเกิดขึ้นในการพิจารณา มันทนต่อการพิสูจน์มันมีคือของแท้นะ้นํำกดลาดลงไปเลยโตหสต่างๆมันละลายหมดถ้าเป็นของแท้่จะเจอทองคําก็ไปลาดเท่าไหร่มันก็ไม่ละลายของแท้อยู่ได้ความบริสุทธิ์พุดผ่องมันอยู่ได้นั่นแนหะเมื่อเพียรนาตามความเป็นจริงปล่อยวางเข้าไปแล้วความบริสุทธิ์นั่นแหละเป็นของแท้เหมือนกับน้ํามันมะพร้าวเนะี่ยมันเกิดขึ้นจากกะทิมะพร้าวนะั่นแหะ แต่พังมนมันลอยตัวขึ้นมาแล้วมันเป็นอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่กะทิมะพร้าวมันเป็นน้ํามันมะพร้าวใจของเราก็เหมือนกันเมื่อพิจารณาเต็มที่แล้วได้ที่แล้วถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันลอยตัวเหมือนกับน้ํามันมะพร้าวนี่เมื่อมันลอยตัวเป็นน้ํามันมะพร้าวจะขยําใส่กิเลสให้มันไปเกิดแก่เจ็บตายไม่ก็ไปไม่ได้มันคนละเรื่องกันนี่แหละการพิจารณาธรรมปฏิบัติธรรมถึงจุดพอได้ ถึงจุดอิ่มได้ดุดพ้นได้เกิดความเบื่อหน่ายคลายได้พวกเราให้ตังอกตังใจภาวนาทำความภาคเปลี่ยนเดินโยงกลมนั่งสมาธิภาวนาเดินโงกลมทำยังไงกำหนดภาวนาพุทโธพุทโธให้จิตอยู่กับตัวเองนั่งสมาธิาาทำยังไงกำหนดลมหายใจเข้าออกให้จิตอยู่กับตัวเองให้มีสติอยู่กับตัวเอง เรารณาตัวเองนะโดนกำหนดพีนาร่างกายของตนเองพีนากายพิจาราใจเมื่อพีนากาย <spe ech> เหนื่อพิจารณาใจแล้วเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วกายของเราเป็นส่วนหนึ่งใจเป็นส่วนหนึ่งกายของเราก็จังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจของเราก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันของไม่เที่ยงเหมือนกันขอพีนาถอนอุปทานการคิดมั่นถือมั่นในจิตในใจก็ถึงจุดนั้นละ่ะ ปล่อยวางยึดมั่นแล้วใจของเรามันก็หลุดพ้นจากกิเลสกันอย่างที่ว่านันนะน้ำมันมะพร้าวออกจากมะพร้าวน่นนะจากคุยจากกระทียมมะพร้าวน่นนะความบริสุทธิ์ออกมาจากใจที่มีกิเลสนั่นแหละไม่ใช่ออกมาจากที่อื่นเมื่อรู้แจง้งเห็นจริงแล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมัน่นจิตใจของบริสุทธิ์จากราคาโทสะโมหะก็จบแลยตั้งเผิดอคมวัจันจบแล้วก็รู้ได้ตนเองว่าไม่มีเราเกิดเป็นชาติสุดท้ายแล้ว เราไม่เกิดอีกแล้วชาตินี้จ ะ, จะรู้ได้โดยตนเองเนี่แหละการประพฤติธปฏิบัติธรรมเราพิจารณาดูซิการเกิดแก่เจ็บตายะมันหน้าทนทุกทรมานขนาดไหนเกิดมาพบในชาตินี้ขนาดนี้เราก็พอจะรู้ได้แล้วมันจะให้ได้อย่างใจของเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปไม่ได้กินอิ่มก็เป็นทุกข์หิวก็เป็นทุกข์กระหายก็เป็นทุกข์การเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างการอยู่ร่วมกันผลที่สุดความทุกข์จริงๆก็ตอนที่จใจจะขาด ใจจะตายใกล้จะตายแล้วะทนทุกทรมานเท่าแกชลาคําค้าร่างกายของเราไม่ไปตามบัญชาที่ใจเราคิดรุ่นแล้วจะเป็นเรื่องทุกข์ทางนั้นเลยหาความสุขไม่ได้เกิดมาพบนี้ชาตินี้อย่างนั้นชาติหน้าก็เป็นอีกอย่างเก่าแล้ะไม่มีที่สิ้นสุดยังดีเป็นมนุษย์ถ้าเป็นสัตว์ทิฏฐิชันเป็นช้างม้าโวควายหมูหมาไปไก่แล้วกันยิ่งเขาเอาไปฆ่าไปแกงอีกต่างหาก จะทนทุกข์ขนาดไหนการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสาร น, นี่น่าเบื่อจริงๆพระพุทธเจ้าจริงยกมือบายบๆแบบนั้นลาก่อนโลกยืนลําพังที่เมืองเวสาลีนะถอดพระเนตรเมืองเวสารีเป็นครั้งสุดท้ายนะทอดอะไรดูครั้งสุดท้ายแบบนั้นเราจะไม่มาเกิดในโลกนี้อีกแล้วพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติพระพุทธปฏิบัติพระ อ, องค์รุกทนอย่างนั้นแหะไม่มาเกิดอีก มีแต่พวกเราเนี่ยแหละใครจะเก่งก็จกตากันมีแต่คนเก่งๆท่า น, นั้นแหละปวดห้าจูกระมาเวียนไหว้ตายเกิดกันอยู่เนี่ยจกตากันนี่เน่ยไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านจั้งอกตั้งใจภาวนาสแสวงหาทางพ้นทุกข์ยางไงจะพ้นทุกข์ทำให้พบชาติตัวเองสั้นเข้าถ้าลอยยิ่งดีต้องมาเกิดมาเวียนไหว้ตายเกิดอีกเกิด กี่พบกี่ชาติกี่ร้อยกี่พันชาติทุกอย่างนั้นนะเป็นคนจนกับทุกอย่างหนึ่งเป็นคนรวยกับทุกอย่างหนึ่งเป็นมหาเศรษฐีกับทุกอย่างหนึ่งเป็นชาฟ้ามหากษัตริย์กับทุกอีกแบบหนึ่งสรุปแล้วมันทุกทั้งหมดอย่างพุทธเจ้าพระลาเวปันจากคันธาคันธาห้าเป็นพระอันหนักแต่ขนาดคันเป็นพระอันหนักแล้วแบการะอย่างอื่นเข้ามาอีกมันจะไม่ทุกได้อย่างไรมันทุกเว้นเสียตั้งแต่ไม่พิจารณาเลยเมื่อก็พออยู่ เหมือนกับหมูหมากาไก่นะั่นแหะเข้าอยู่ในโลกในเล้าเขาโยนข้าวให้กินเอาหวานข้าวให้กินเอาล้ำให้กินไม่กินไม่คิดไม่อ่านกินจนตัวโ ต, วตวขึ้นมาได้ขนาดแล้วเขาก็ไปเชือดคอซะนั่นแหละตอนที่เขาจะไปเชือดคอนะนะั่นแหะชักดินชักน็อตลองออกจนสุดเสียงผลที่สุดเขาเชือดคอแล้วเสียงไม่ออกก็ตายแล้วอันนี้ของพวกเราก็ลักษณะอย่างนั้นะ แต่ถ้าพวกเราไม่คิดไม่อ่านก็เหมือนกับหมูตัวหนึ่งนั่นน่ะเกิดมาในโลกนี่เราไม่คิดไม่อ่านอะไรเลยมีแต่ว่าความสุขในการอยู่การกินการหลับการนอนการใช้เ พ, เ พ, พลิดเพลินอุตตโรเฮโลกินเหล่าเมาย า, เ, าเสยเพนต่างๆพอกเป็นวันๆพอ ก, กิเลสเป็นวันๆไปแต่พอถึงวันจะตายจริงๆทีน่นะเห็นแล้วบนความทุกข์มันขนาดไหน พอตายไปแล้วก็หมดทุกข์ละจบไปเพราะมันช่วงระยะสั้นบางคนก็ถูกลดชนว่างถูกฆ่าผาังถ้าว่าพวกตายที่ทรมานหน่อยเจ็บไข้ได้ป่วยเ อ, อรู้จักตัวเองว่ามันทุกข์ขนาดไหนพอจะรู้ได้แต่ถ้าไม่มีธรรมในใจก็ทดรนทุไลล่ะอยากจะให้หายอีกแต่ผู้มีธรรมท่านก็เออร่างกายแต่ก่อนเราก็ลุ่มหลงกับมันว่ามันเป็นสวรรค์ดีมานว่ามันมีแต่ความสุขกิน ได้นอนหลับพักผ่อนนอนสบายการเดินเหินไปไหนก็สะดวกสบายแต่พอมาถึงจุดนี้แล้วโอ้ร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ใช่สวรรค์วิมานหน้านี่มันเป็นกองเพิงกองไฟทั้งกองหน้านี่เท่านก็จะพิจารณาเป็นธรรมของท่านทั้งหมดแต่ถ้าว่าผู้มีกิเลสในจิตในใจไม่แล้วทำไมันจึงจะหายว่า ง, งั้นเลยมิจติณโนอยากจะหาย แต่มันจะหายได้ยังไงเกิดมาเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละให้พวกเราพิยานาไว้เสมอเสมอมันถึงจุดหนึ่งเข้ามาแล้วพวกเราจะไม่ตื่นตัวจะไม่ใจอกตกใจเพราเราได้พิยานาไว้รอบครอบแล้วเราก็จะได้สู้ในพิยานาปล่อยวางในใจิตในใจของเราในสถานการณ์เช่นนั้นหรือวาระสุดท้ายที่เราจะจากขันนี้ไปนะ ต่อนนี้ไปก็ฟังเทศของหลวงตาแล้วก็นั่งสมาธิต่อ